จเจริญพนท่านสาธุชนพุทธบริษัทปุบาศกอุบาศิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2558เป็นวันพระวันธรรมวสวนะวันฟังธรรมวันที่พระตจ้า ในเสียงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนได้มาเข้าวัดเพื่อมาดูแลส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเรานั่นก็คือมาดูแลรักษาใจของเราตลอดระยะเวลาหกวันที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลาไปกับการดูแลรักษาร่างกายของเรา และของขนที่เรารักแต่เรามักจะมองข้ามการดูแลจิตใจของพวกเราที่มีส่วนสําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะว่าจิตใจของพวกเรานี้ไม่มีวันดับไม่มีวันตายไม่เหมือนกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือของผู้ในที่สุดก็ต้องถึงวันสิ้นสุด ถึงวันดับถึงวันตายแต่ใจของพวกเรานี้ไม่ได้ดับไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจได้รับการดูแลตามหลักของพระพุทธศาสนาใจก็จะมีความสุขมีความเจริญใจก็จะไปในที่ดีที่เรียกว่าสุกติถ้าใจไม่ได้รับการดูแลตามหลักพรอธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เวลาตายไปก็จะไปสู่ทุกขติไปสู่อบายนี่เป็นสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันธรรมวสวนะวันพระนี้เพื่อให้สาธุชนได้ปล่อยวางภา ร, รกิจเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้วมาดูภา ร, รกิจที่เกี่ยวกับจิตใจเพราะจิตใจก็ต้องการ การทำนุบำรุงดูแลรักษาเหมือนกับร่างกายร่างกายของพวกเราก็ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคใจของเราก็ต้องมีบุญมีกุศลมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแสงสว่างเป็นผู้นำทางพาให้เราเดินทางไป ได้โดยสวัสดิภาพไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือไปที่ที่มีแต่ความสุขไปที่ที่มีแต่ความเจริญไม่ไปที่ที่มีแต่ความทุกข์หรือมีการเสื่อมเสียเราจะไปได้ตามทางที่เราต้องการจะไปเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางไป เหมือนกับเวลาเราเดินทางในยามค่ำคืนถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราจะไม่รู้ทางเราจะไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ปลอดภัยทางไหนเป็นทางที่ไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเราก็สามารถมองเห็นทางที่เราเดินไปเดินทางไปข้างหน้าถ้าตรงไหนไม่ปลอดภัยเราก็หักหลบได้เรียวได้ นี่คือแสงสว่างของชีวิตของพวกเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านรู้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรไม่เป็นภัยอะไรเป็นคุณอะไรไม่เป็นคุณท่านจึงสอนให้เราทำในสิ่งที่เป็นคุณ และและสิ่งที่ทำให้เป็นภัยอันตรายกับชีวิตของพวกเราถ้าเรามีคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหมือนกับเป็นผู้นำทางเราก็จะไปได้อย่างปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึง ก็คือไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นต่างๆเช่นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปถ้าพวกเราทำบุญให้ทางเป็นประจำแล้วก็รักษาศีลไม่ทำบาป ท, ทำกรรม เวลาร่างกายนี้ตายไปใจของเราก็จะได้ไปสวรรค์ไปได้เป็นเกิดเป็นเทพไปอยู่สวรรค์ชั้นเทวโลกไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายนี้เป็นที่ไปสำหรับผู้ที่ไม่ทำบุญไม่รักษาศีลทำบาปเป็นอาจินเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรับทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเสพสุรายาเมา เวลาตายไปใจที่เป็นผู้ทาบาบนี้จึงต้องเป็นผู้ที่ไปรับผลบาปที่ได้ทำเอาไว้จึงต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะการกระทำเป็นเหตุไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปสู่อบาย นอกจากการกระทำบาปดังนั้นวันนี้พวกเราจึงมาสมาทานรักษาศีลห้าข้อด้วยกันศีลห้าข้อก็คือการละเว้นจากการกระทำบาป5ข้อละเว้นจากการฆ่าสัตว์รับทรัพย์ประพฤติผิดตัวเวรนี้พูดปดและเสพสุรายาเมาถ้าเราสามารถรักษาศีลทั้ง5้าข้อนี้ได้เป็นปกติ เป็นฤิจิตลิคือทำอยู่ทุกวันไม่มีวันที่จะไปทำบาปในข้อใดข้อหนึง่งเวลาตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราเพียงแต่รักษาสินอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำบุญให้ทานตายไปกลับมาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ ท, ทันทีไม่ต้องไปเกิดเป็นในอบาย แต่ไม่ได้ไปรับรางวัลที่สวรรค์ถ้าเราทําบุญด้วยทําทานทําบุญ ท, ทาทานแล้วเรารักษาศีลด้วยเวลาเราตายไปเราจะไปรับผลบุญก่อนคือได้ไปเกิดในสวรรค์ได้เป็นเทวดาได้ไปเสพอาหารทิพย์ต่างๆได้ไปเหมือนกับไปท่องเที่ยวในระดับห้าดาว เหนือกว่าการท่องเที่ยวในโลกนี้เรามีเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในโลกนี้ก็สู้ไปเที่ยวที่บนสวรรค์ไม่ได้บนสวรรค์นี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่วิจิตรพิสดารยิ่งกว่าสถานที่ต่างๆในโลกนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะไปเที่ยวสวรรค์กัน ขอให้เราพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆทำทานอยู่เรื่อยๆอย่างวันนี้ยากโยมก็เหมือนกับมาตีตัวไปสวรรค์กันมารักษาศีลห้าแล้วก็มาทำบุญให้ทานนำกับข้าวกับปลาของขาวของหวานต่างๆมาถวายให้กับพระภิกษุสามเณรอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำทานการทำทานผลของทำทานก็คือบุญนั่นเอง บุญก็คือสวรรค์ที่เราจะได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วการทาทานนี้ก็มีทำได้หลายลักษณะด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของเพียงเดียวเพราะบางทีเราก็ไม่มีเงินทองจะให้ไม่มีข้าวของจะให้แต่เรายังมีอย่างอื่นที่เราให้ได้สิ่งที่เราให้ได้ก็คือ วิชาความรู้ถ้าเรามีความรู้อะไรแล้วเราเอามาสอนผู้อื่นเช่นเรารู้จากวิธีทำกับข้าวทำแล้ว อ, อร่อยใครรับประทานอาหารกับข้าวที่เราทำแล้วมากจะติดอกติดใจเราก็สามารถไปสอนคนที่ไม่มีความรู้ในการทำกับข้าวไม่มีอาชีพ พอเขารู้จักทำกับข้าวทำอาหารที่อเรเอร่อยเขาก็สามารถไปเปิดร้านไปขายอาหารได้แล้วก็จะมีรายได้เข้ามานี่ก็เรียกว่าเป็นการให้วิชาความรู้หรือเรียกว่าวิทยาทานอันนี้ก็เป็นการทำบุญแบบหนึ่งทำแล้วเราก็จะมีความสุขใจสิ่งเราสิ่งที่เราจะให้ได้อย่อยางก็คือ การให้อภัย <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราโกรธแค้นโกรธเคืองใครแทนที่เราจะไปทำร้ายเขาแทนที่เราจะไปอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเราก็ให้อภัยไปให้อภัยคือไม่ไปลงโทษเขาเขาด่าเราเราก็ไม่ไปด่าเขาเขาทำร้ายเราเราก็ไม่ไปทำร้ายเขาเวลาที่เรา ระ ง, งับดับความโกรธเกลียดความเครียดแค้นที่เป็นเหมือนไฟนรลกเผาใจเราอยู่ได้ใจเราก็จะกลับมาเย็นเป็นปกติเหมือนที่ใจของเราเป็นอยู่ตอนนี้เวลาเราโกรธเกลียดอาฆาตไยาบาสนี้ใจจะทุกข์มากใจจะร้อนมากและการที่ไปทำร้ายผู้อื่นนั้นไม่ได้เป็นวิธีที่จะระ ง, งับ ไฟที่กำลังเผาผลาญจิตใจแต่จะกลับทําให้เกิดไฟเพิ่มมากขึ้นมาอีกเกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะถ้าเราไปทําร้ายพูดเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวกลัวที่จะถูกเขากลับมาทำร้ายเราอีกแต่ถ้าเรายอมให้อภัยเขาคิดเสีย ว, ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเขาด่าเราก็ผ่านไปแล้วเขาทุบทีเรา หรือทำร้ายเรามันก็ผ่านไปแล้วเราให้อภัยเขาเราก็จะเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเป็นเหมือนกับการทำบุญแทนที่จะให้ข้าวของเงินทองหรือให้วิชาความรู้เราก็ให้อภัยโทษไปไม่ถือโทษโกรธเคืองไปไม่จองเลงจองกรรม พอเราให้อภัยได้ใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขและเราก็จะไม่ต้องไปวิตกกังวลกับการที่จะถูกผู้อื่นกลับมาทำร้ายเราเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่นนั่นเองเรายอมหยุดแล้วเราก็เย็นยอมก็คือยอมแพ้ไม่ต่อกรไม่ต่อสู้พอเรายอมแพ้แล้ว เราก็จะหยุดใจเราก็จะหยุดคิดทำร้ายผู้อื่นพอเราหยุดคิดทำร้ายผู้อื่นใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขเป็นความสุขใจความเย็นใจนี้ก็คือบุญนั่นเองนี่ก็คือวิธีที่จะสร้างบุญให้กับเราเวลาที่เราเกิดความเครียดแค้นเกิดไฟนรกที่เาผาผลาญใจเรา เพราะว่าถ้าเราไม่ดับมันเราไปทำร้ายผู้ไปฆ่าผู้ใจของเราก็ยิ่งจะร้อนขึ้นมาใหญ่แล้วเวลาตายไปใจของเราก็ต้องไปตกนรกเพราะเราได้ทปาปาณาติบาเราได้ทำร้ายเราได้ฆ่าผู้อา น, นิสงส์ของการฆ่าผู้ด้วยความโกรธแค้นก็คือจะต้องไปตกนรกนั่นเอง แต่ถ้าเราให้อภัยได้เราก็ไม่ต้องไปเพราะว่าพอเราให้อภัยใจเราก็เย็นกลับมาเป็นมนุษย์กลับมาเป็นเทวดาแทนนี่คือการให้ที่พุะเจ้าสอนว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่การชนะผู้อื่นนี้สู้การชนะตนเองไม่ได้เพราะการชนะผู้อื่นไม่ว่าจะชนะ กี่ครั้งกีร่รอบก็จะต้องสร้างเวรสร้างกรรมให้กับผู้อื่นนั่นเองผู้ที่แพเขาก็จะอาฆาตพยาบาทผู้ที่ชนะผู้ที่ชนะก็จะมีความกังวลหวาดกลัววิตกกับผลที่ตนเองไปทํากับผู้อื่นแต่ถ้าเราชนะตัวเราเองได้เราจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง ชนะตัวเองก็คือชนะความโกรธแค้นความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมถ้าเราบรรลับมันได้ใจเราก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขไม่ต้องไปเกิดนอยบายไม่ต้องไปตกนรกนี่คือการชนะที่แท้จริงต้องชนะตรงหลังที่มีสุภาษิต ท, ที่พูดเสมอ ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารผู้ที่แพ้นี้เป็นพระก็คือไม่ทำร้ายผู้พระก็คือผู้มีศีลธรรมนั่นเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสายาเมาผู้ที่มาบวชนี้ต้องมีศีลถึงจะบวชได้ถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ได้ไม่สามารถมาบวชได้ กอนจะบวชนี้อุปช้ายะให้ขอศีลสิบก่อนถ้ารักษาศีลสิบไม่ได้ก็จะบุไม่บวชให้ถ้ารักษาศีลสิบได้ก็จะบวชให้พอบวชก็ได้เป็นพระความเป็นพระนี้ก็อยู่การที่มีศีลนี่เองไม่ได้อยู่ที่การนุ่งผ้าเหลืองกนศรีรษะการกนศรีรษะการนุ่งผ้าเหลืองมี ไม่ได้ทำให้คนเป็นพระขึ้นมาการที่จะทำให้คนนี้เป็นพระขึ้นมาก็คือการมีศีลนั่นเองคือสามารถไม่กระทำบาปต่างๆได้เมื่อมาเป็นพระแล้วก็ต้องแพ้ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ได้ถึงแม้เขาจะมาฆ่าเราก็ไปฆ่าเขาไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้ามีพระเทวทัตมาพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า ถึงสามครั้งด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบโต้เลยแม้แต่อย่างเดียวไม่ได้เคยคิดจะไปฆ่าเทวทัตเพื่อกำจัดฆ่าศึกศัตรูเพื่อจะได้ไม่คอยมาฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าใช้ความเมตตาใช้การให้อภัยไม่ถือโทษกเกิดเถื่อนและใช้บรารมีของพระพุทธเจ้าคือคุณงามความดี ที่สามารถปกป้องไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้ายทาร้ายชีวิตของพระพุทธเจ้าได้นี่คือเรื่องของการให้อภัยเราควรที่จะฝึกให้อภัยกันถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในอบ า, ายถ้าเราให้อภัยไม่ได้เวลาที่เรารู้กับต่อโทสะต่อความโกรธ เราจะมักจะต้องไปทำบาปไม่ด่าเขาก็ต้องไปทุบตีเขาไม่เช่นนั้นก็ไปฆ่าเขาพอฆ่าแล้วมันห้ามผลของการฆ่าไม่ได้จะไปทำบุญถวายสังฆทานกี่ร้อยวัดก็ห้ามการที่จะไปเกิดในอบายไม่ได้อย่างพวกที่มีลูกตั้ง ตั้งท้องแล้วก็ไปทําแท้งนี่พอทําแท้งเสร็จก็จะมาถามพระว่ามีวิธีลบล้างบาป ท, ที่เขาทํานี้ได้ไหมมีวิธีที่จะทําให้คนที่ตายไปไม่โกรธเขาเปรียดเขาได้ไหมถ้าสมมุติว่ามีคนเข้ามาฆ่าคุณแล้วเขาเอาขนมมาให้คุณกินนี่คุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่า เขาจะคุณจะหายโกรธแค้นโกรธเคืองหรือเปล่าบอกว่าถ้าฆ่าเขาแล้วผลมันเกิดขึ้นแล้วเขาย่อมต้องโกรธแค้นโกรธเคืองเราเป็นธรรมดาถ้าเขามีโอกาสที่จะฆ่าเราเขาก็จะกลับมาฆ่าเราถ้าเราไม่อยากจะรับผลของการทำบาปเราก็อยากไปทำบาปเท่านั้นเองถ้าตั้งท้องแล้วก็กเลี้ยงลูกออกมา ปล่อยให้คลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงไปตามบุญตามกรรมถึงแม้ว่าหมอบอกว่าในท้องเด็กในท้องนี้พี่คนพี่การแขนขาดขาขา ด, ขา ด, ขาดหูหนวกตาบอด ก, ก็ปล่อยให้เด็กเขาออกมาอย่าไปฆ่าเขาอย่าไปคิดว่าให้เขาเกิดแล้วเขามาทุกข์ทรมานเรื่องทุกข์ทรมานนี้เป็นเรื่องของวิบากกรรมของเขา เขาเคยไปทำบาปทํากรรมมาพอเข้ามาเกิดเขาเลยต้องมาเกิดแบบคนพิกลพิการหูหนวกตาบอดแต่การที่เราไปท่าเขาไปทำแทงนี้ไม่ได้เป็นการไปลบล้างกรรมของเขาแต่กลับเป็นการสร้างกรรมของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะต้องไปถูกเขาทําแท้งเวลาเราไปเกิดในท้องของคนอืน่น สู้ปล่อยให้เด็กที่อยู่ในท้องนี้คลอดออกมาดีกว่าเขาจะพิกลพิการหรือไม่ก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาที่เขาจะต้องใช้ถ้าเราไปทำแทงเขาเดี๋ยวเขาไปเกิดในท้องใหม่เขาก็จะพิกลพิการใหม่เหมือนเดิมเพราะวิบากนี้เมื่อทำไปแล้วลบล้างไม่ได้จะต้องเกิดขึ้นมาเท่านั้นถึงจะหมดวิบากกรนได้ดังนั้นการไปฆ่า นี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่กลับเป็นการสร้างปัญหาสร้างกรรมขึ้นมาสร้างวิบาบขึ้นมาเวลาที่เราเจอกับสภาพอะไรที่เราไม่ชอบเราอยากไปแก้ด้วยการฆ่าเช่นอยู่กับภรรยาหรือสามีแล้วเขาโหดร้ายทารุณเขาไม่ดีกับเราก็อยากจะกาจัดเขาหาวิธีฆ่าเขา ทำอย่างนี้ก็ไม่ดีก็ เ, เป็นไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาหรืออยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาแต่เขาไม่ยกให้เราเขาไปเขียงพินัยกรรมยกให้คนอื่นเราก็โกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทเพราะเราอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาเราก็ไปฆ่าเขาทำอย่างนี้แล้วมันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรม ทำให้ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายและเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะถูกผู้อื่นเข้ามาฆ่าเราอันนี้คือเรื่องของกรรมทำแล้วหนีไม่พ้นถ้าอยากจะหนีให้พ้นก็อย่าไปทำกรรมหรือถ้าจะหนีให้พ้นจากกรรมเก่าก็ต้องไปผ่านเท่านั้นเหมือนกับองคุลีมาน องคุลีมานี่ยฆ่าคนมาถึง999คนแต่พอได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนองคุลีมานว่าการฆ่าคนนี้ไม่ได้ทำให้ตนเป็นผู้วิเศษแต่เป็นทำให้ตนนี้เป็นเหมือนกับสัตว์รบตายไปก็จะต้องไปใช้วิบาบต่างๆถ้าไม่อยากที่จะไปใช้วิบากก็ต้องมา ปฏิบัติทำให้บรรลุถึงพระนิพพานให้ได้การจะถึงพระนิพพานได้ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีความอยากแล้วเวลาตายไปก็จะไม่มีตัวที่จะผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่เมื่อไม่เกิดใหม่กรรมก็ไม่สามารถที่จะไปแสดงผลได้ ผู้ที่ได้ไปถึงพระนิพพานนี้เป็นผู้ที่หมดกรรมแล้วหมดเวรแล้วไม่มีเวรไม่มีกรรมอีกต่อไปแต่ผู้ใดที่ยังต้องกลับมาเกิดผู้นั้นยังจะต้องมาพบกับวิบากกรรมต่อไปแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องพบกับวิบากกรรมเป็นพระอารหันตาสาวกก็ต้องพบกับวิบากรรมพระพุทธเจ้าก็ถูกเทวทัตปองร้าย ถึงสามครั้งด้วยกันถ้าโมกคลานะก็ถูกคนอื่นฆ่าตายเพราะว่าเคยไปฆ่าเขามานั่นเองท่านก็รู้เวลาคนจะมาตามฆ่าท่านมีอิทธิฤทธิ์ท่านสามารถที่จะทําตนให้ล่องหนหายตัวไปได้แต่ท่านก็ไม่ทําเพราะท่านบอกว่าหนีเขาไปวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่เพราะว่า เขายังจองเวรจองกรรมเราอยู่การจองเวรจองกรรมของเขาจะหมดก็ต่อเมื่อเขาได้ฆ่าเราแล้วดังนั้นหนีไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามามาไม่เพราะฉะนั้นก็ถ้ามันถึงเวลาจะต้องตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะว่าไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายแต่ถ้าเราไปแก้ด้วยการไปฆ่าเขา เราก็จะสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่ม ข, ขึ้นมา ห, มหรือถ้าเราหนีเราก็ต้องหนีอยู่เรื่อยๆหนีไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรเราก็สู้อยู่แบบมีความสุขดีกว่าอยู่แบบยอมตายถ้าเรายอมตายแล้วความตายจะไม่เป็นปัญหากับเราเราจะอยู่อย่างมีความสุขจะตายก็ไม่เดือดร้อนจะอยู่ก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้ากลัวตายพยายามหนีความตายนี้อยู่ไปก็ไม่มีความสุขเวลาตายก็ไม่มีความสุขนี่คือหลักของการดับความทุกข์จังๆของพระพุทธศาสนาให้มาดับความทุกข์ด้วยการใช้ปัญญาคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการไม่กระทําบาลด้วยการยอมรับความจริงว่า ทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชัว่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการไปแก้กรรมด้วยการไปฆ่าไปทำบาสนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้กรรมแต่เป็นวิธีสร้างกรรมสร้างเวรให้มีเพิ่มมากขึ้นไปต้องแพ้อย่างเดียวต้องเป็นพระอย่างเดียวต้องไม่ทำบาปถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลี หลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปแล้วก็เท่านั้นเองเพราะว่าทุกคนในที่สุดก็ต้องไปกันไม่มีใครอยู่คำฟ้าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะมาป้องกันความตายเพราะทํายังไงก็ป้องกันไม่ได้เรื่องของความตาย เมื่อถึงเวลาแล้วจะต้องตายด้วยกันทุกคนดังนั้นอย่าไปทาบาปเพื่อรักษาชีวิตยอมตายดีกว่าแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปใช้วิบากไม่ต้องไปเกิดในอบายและเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ต้องมีใครมาจองเวรจองกรรมกับเราอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้าง สิ่งที่ดีให้แก่จิตใจของพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะได้เป็นแสงสว่างนำทางพาให้ชีวิตของเราเดินทางไปอย่างสวัสดีภาพไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนากันก็คือสวรรค์ชั้นนิพพานที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด